วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสอง6วันนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมก็ได้มาวัดกันเพื่อที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้ ก็ทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเกิดผลเกิดประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นตามลำดับต่อไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธ การที่เราเป็นชาวพุทธนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงมอบหน้าที่ให้แก่ชาวพุทธไว้สี่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สองให้เอานําให้นําเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติที่กายวาจาใจของตนเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ช้าก็เลยก็จะได้ทำหน้าที่ข้อที่สามได้สำเร็จก็คือบรรลุธรรมขั้นต่างๆ บรรลุธรรมขั้นทานบรรลุธรรมขั้นศีลบรรลุธรรมขั้นสมาธิบรรลุธรรมขั้นปัญญาอันนี้เป็นขั้นที่สามคือการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานบรลุธรรมขั้นพระอริยะบุคคล คือขั้นสูดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์ตามลำดับเมื่อได้มารลุถึงทำขั้นสูงสุดแล้วคือขั้นพระอรหรันต์ขั้นพระนิพพานก็นนมีหน้าที่ข้อที่สี่ตามมาก็คือเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่อยากจะเรียนรู้ที่อยากจะศึกษาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้นํามาไปปฏิบัติได้บรรลุผลได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่อไปนี่คือหน้าที่สี่ขั้นตอนซึ่งการกระทําหน้าที่ทั้งสขั้นตอนนี้ ควรกระทำตามขั้นตามตอนอย่าข้ามขั้นกันเพราะถ้าทำข้ามขั้นแล้วมันจะไม่ได้เกิดผลขั้นที่หนึ่งถ้าเรายังไม่รู้เรื่องคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรง ทรงสอนทรงปฏิบัติมาแล้วทรงได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วเราก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้สรงสั่งสอนช่วงที่เราได้ศึกษาแล้วเราเข้าใจแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บดรรลุผลต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติ เราไม่ควรที่จะไปสั่งสอนผู้ทันทีเพราะความรู้ที่เราได้เรียนรู้เพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีความจริงเป็นเป็นเครื่องยืนยันอีกทีคือยังไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล หรือไม่ได้บรรลุถึงทำขั้นอื่นก็ตามเรายัางไม่ควรที่จะไปทําหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนเรา อ, อย่าไปจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สี่ยังมีอีกสองขั้นที่เราต้องทําก่อนเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่แท้จริงที่สามารถนํำมาไป สอนผู้อื่นให้ผู้นํานเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสามารถรับผลจากการปฏิบัติได้ช่วงที่เรายังศึกษาช่วงที่เราอยู่ที่ขั้นที่สองนี่เป็นช่วงที่เราไม่ควรที่จะไปขั้นที่สี่เราขั้นที่หนึ่งเราเรียนรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเช่น กระบวนการของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็อยู่ที่การกระทำสามกระทาด้วยกันคือหนึ่งททานสองรักษาสิงสามบเพ็ญจิตตะภาวนานี่คือการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจใได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ต้องมีการปฏิบัติทานศีลภาวนาก่อนดังนั้นหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้นำเอามาดับความทุกข์ภายในใจเราก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาก่อนและการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็เป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันเราก็ต้องทำทานก่อน แล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาก็ต้องปฏิบัติทั้งสามส่วนด้วยกันทำจากส่วนที่ง่ายไปสู่ส่วนที่ยากทานศีลภาวนาทานาา น, านี้ง่ายกว่ารักษาศีลศีล น, นี้รักษาง่ายกว่าการปฏิบัติภาวนาแต่ในที่สุดเราก็ต้องทำทั้งสามขั้นเพราะเป็นเหมือนขั้นบันไดเวลาที่เราจะเดินขึ้นสู่ที่สูง ขึ้นสู่ชั้นอาคารต่างๆถ้าไม่มีลิฟต์ให้เราใช้เราก็ต้องใช้ขั้นบันไดเราก็ต้องเดินขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้ น, ข, นขั้นที่หนึ่งของการดำเนินการก็คือศึกษาว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พระเจ้าก็บอกว่าเราต้องทำทาน รักษาศีลแล้วเราก็ภาวนาเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเอาไปกระทาก่อนทำไปเรื่อยๆตอนช่วงที่เราอยู่ขั้นที่สองขั้นปฏิบัตินี้อย่าไปกังวลถึงขั้นที่สคือการขั้นเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นตอนนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนนักศึกษาถ้าเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ หรือว่าเรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ยังไม่ได้จบปริญญายังไปสมัครงานไม่ได้สมัครงานเขาขอดูบัตรขอดูใบ ป, ปริญญาว่าจบปริญญาตีโทรเอกมาหรือไม่ถ้าเราไม่มีปริญญาบัตรไปแสดงเขาก็จะไม่รับเราไปทำงานเพราะเขารู้ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทำงานที่เขาจะมอบหมายให้เราทำได้นั่นเอง ในทางพูดก็เหมือนกันการที่เราจะไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำเราต้องผ่านขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองและขั้นที่สามไปก่อ น, ข, นขั้นที่หนึ่งก็การศึกษานํำเรียนคำสั่งคำสอนเมื่อเราได้นํำเรียนแล้วรู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็นำไปปฏิบัติ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่สั่งสอนความรู้ให้แก่ผู้อื่นเพราะความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาจากการศึกษานี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ต้องได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติอีกทีก่อนถึงจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องแม่นยํา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในขั้นที่สองข่นปฏิบัตินี้เราก็จะไม่สนใจกับการที่จะไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นแต่ถ้ามีการสนทนากันมีการสนทนาธทมกันเราก็สามารถคุยกันได้จากธรรมที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็ต้องพูดไปว่านี่เป็นธรรมที่เราได้เรียนรู้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติหนึ่งหรือถ้า ท, ทำที่เราได้ผลจากการปฏิบัติแล้วเราก็พูดได้แต่เราจะพูดในวงของผู้ปฏิบัติด้วยกันคือผู้ปฏิบัติบางทีอยู่ปฏิบัติร่วมกันบางทีก็มีโอกาสได้ศึกษาได้คุยกันได้สนทนากันบางท่านก็อาจจะมีคำถาม ไม่รู้ว่าจะไปถามใครก็อาจจะถามเพื่อนปฏิบัติด้วยกันอย่างนี้บอกได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้สั่งสอนเลยเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าให้ทำเป็นเฉพาะกิจเฉพาะการไปเวลาที่มีใครเขาติดขัดอะไรแล้วเขาคิดว่าเราสามารถช่วยเขาได้ถ้าเราเคยติดขัดมาแล้วแล้วเราแก้ปัญหาของเราได้เราก็อาจจะบอก เขาไปก็ได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการกระทำขั้นที่ 4, สี่คือแพ้เผยแผ่อันนี้เป็นการสนทนาทำกันในวงของผู้ปฏิบัติด้วยกันไม่ได้ทำเป็นกิจลักษณะว่าไปนั่งแสดงธรรมที่นั่นที่นี่พผยแร่รทำให้กับคนนั้นคนนี้อย่างนั้นยังไม่ถึงเวลา ต้องรอให้ได้บรรลุทําก่อนบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติก่อนเอาทําที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมแล้วไม่มีภารกิจที่จะต้องทําอีกต่อไปแล้วเช่นพระพุทธเจ้านี้ตอนที่พระองค์ทรงบําเพ็ญอยู่หปีด้วยกัน พระ อ, องค์นี้ก็ไม่ได้ไปเผยแผ่สั่งสอนทำไปแสดงธรรมให้กับใครที่ไหนยกเว้นอาจจะสอนหรือพูดคุยกันในหมู่ผู้ปฏิบัติด้วยกันเช่นท mm ่า hmm. งก็มีพระปัญจวคัคคีที่เป็นสาวกติดตามศึกษาจากท่านอันนี้เป็นการเป็นการสั่งสอนหรือบอกธรรมะให้ ในกลุ่มเล็กๆในเฉพาะผู้ที่สนใจที่จะติดตามที่จะเรียนรู้อันนี้ถ้าพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเข้าไปตามความรู้ตามความสามารถของเราแต่จะไม่เอาเวลาของการปฏิบัติมาให้กับการสั่งสอนกับบุคคลทั่วไปไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับตอนที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้ว หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรู้ในวันเพน็ญเดือนหกต่อมาอีกสองเดือนพระองค์ก็ทรงเริ่มเอยแผ่ธรรมะเป็นครั้งแรกในวันเพน็ญเดือนแปดวันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมานี้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นการเผยแผ่ธรรมะเป็นทางการ อย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมไปเรื่อยๆจนแสดงธรรมทุกวันเป็นพุทธกิจไปพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญไว้ทุกวันยกเว้นวันที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะส่งบำเพ็ญพุทธกิจห้าประการด้วยกัน ข้อหก็คือยามเช้าก็ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์อันนี้เป็นการทําหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงร่างเลี้ยงดูร่างกายของพระองค์เพราะว่าจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้พุทธกิจข้อแรกข้อที่หนึ่งนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูปากทองเกี่ยวกับการโปรดสัตว์คือไปโปรดให้ให้ศรัทธายายโญ ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะได้ทำบุญทำทานกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้บุญเต็มที่ อ, องค์ก็ทรงไปโปรดสรรทั้งๆ ท, ที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี้ถ้าไม่เสด็จบินถบายก็ไม่อดตายก็จะมีคนมานำมาหารขาวหานมาประเคนมาถวายถึงที่พํำนักเลย แต่พระ อ, องค์ก็ไม่ต้องการที่จะทำอย่างนั้นอยากจะไปโปรดสัตว์เพราะการไปบินธบาตามหมู่บ้านนี้เป็นการไปเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาว่างที่จะไปวัดเพื่อที่จะไปทำบุญนีม่มีพระมาให้บุญมารับบุญตั้งแต่ที่หน้าบ้านเลย เขาก็จะได้ไม่เสียเวลาในการทำอาหากินของเขามากพระมาเขาก็เตรียมอาหารไว้พอพระมาก็ใส่บาตรเขาก็เสร็จแล้วใช้เวลาเพียงไม่มากเขาก็ได้บุญได้กุศลแล้นี่เป็นเหตุที่ทําให้พระเจ้าทรงออกบิณฑบาต ท, ทุกวันเพื่อโปรดสัตว์เพื่อให้ผู้ที่อยากจะได้บุญได้กุศลที่อาจจะไม่มี โอกาสมีเวลาที่จะไปทําที่วัดได้องก็เลยมาท่วที่บ้านแทนมาโปรดสัตที่บ้านแทนบิณฑบาตในหมู่บ้านใครที่อยากจะทําบุญก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากมายถ้าไปที่วัดนี่มันต้องใช้เวลามากกว่าต้องเสียเวลาในการทํามาหากินของชาวบ้านเขา พุทธเจ้าก็เลยส่งเลือกวิธีการบิณฑบาตเลี้ยงชีพนีแล้วก็เป็นวิธีการที่จะทําเป็นตัวอย่างให้แก่พระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาได้ยึดได้ยึดถือเป็นแนวทางนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติที่จะทําให้ศาสน า, ากับพุทธศาสนิกชนนี้ มีความสัมพันธ์กันมีความพึ่งพาอาศัยกันพระภิกษุก็อาศัยอาหารที่ชาวบ้านใส่บาตรเลี้ยงดูเลี้ยงชีพชาวบ้านก็อาศัยพระภิกษุสั่งสอนธรรมะให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญ สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่านี่เป็นหน้าที่ที่สําคัญของชาวพุทธคือของพระภิกษุและของคลาวาสญาติอยู่พระพุทธเจ้าจึงถือการบิณฑบาตนี้เป็นภารกิจที่สําคัญทรงบิณฑบาตโปรดสัตว์ทุกวันอันนี้ น, นี่คือหน้าที่พุทธกิจข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คง ก็คือการแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยมในยามบ่ายศรัทธาญาติโยมใครมีเวลาว่างอยากจะฟังเทศฟังธรรมอย่างท่านทั้งหลายวันนี้มีเวลาว่างอยากจะมาศึกษามาเรียนรู้ธรรมะก็มามาวัดกันมาฟังธรรมกันนี่คือการเผยแผ่ธรรมของพระเจ้า เป็นพุทธกิจข้อที่สองคือการแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมแล้วในยามค่าในยามค่ำคืนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดพระภิกษุภิกษุณีโปรดพวกนักบวชในบวรพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชนี้ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนำมาไปปฏิบัติ และการเรียนนี้ก็ต้องเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปฏิบัติในทางในสายปฏิบัตินี้เราไม่แยากการเรียนจากการปฏิบัติไม่เหมือนกับสมัยนี้มีการแยกระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติออกจากกันซึ่งไม่ได้เหมือนกับในสมัยพุทธการในสมัยพุทธการพระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุ ไปรักษาศีลไปภาวนาพอได้เรียนรู้วิธีรักษาศีลภาวนาก็ไปปฏิบัติกันได้เลยอาจจะไม่ได้รู้ ล, ลึกรายละเอียดต่างๆค่อยกลับมาเรียนเพิ่มเติมทีละนิดเทียบหน่อยพระเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอนภิกษุภิกษุณีทุกค่ำคืนยามค่ำคืนพระเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุภิกษุณี เป็นพุทธกิจข้อที่สามแล้วนายามดึกนายามดึกก่อนที่จะก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนพระ อ, องค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาพวกกายทิพย์เพราะพระพุทธเจ้ามีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้พวกดวงวิญญาณต่างๆได้พวกดวงวิญญาณที่เป็นเทพนี่เขาก็จะมา ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> นี่เป็นพุทธกิจข้อที่สี่แสดงธรรมโปรดเทวดา <Yeah. S 1> และพุทธกิจข้อที่ห้าก็คือ <Yeah. S 1> ในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินสบัร <Yeah. S 1> จะทรงเลงยานดูว่าจะไปโปรดใครไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น <Yeah. S 1> บุคคลใดมีความพร้อมที่จะรับธรรม เป็นเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้ําแล้วรอเพียงแต่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะบานออกมาพระองค์ก็จะทรงเรงญาณหาดูว่าใจของคนไหนที่มีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ที่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมก็จะสามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้เลยพระองค์ก็จะทรงไปโปรดคนคนนั้นในวันนั้น นี่แหละคือการเผยแผ่เป็นทางการของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธกิจสี่ข้อด้วยกันแสดงธรรมตอนบ่ายให้คารวาะแสดงธรรมตอนค่ำให้กับภิกษุภิกษุณีแสดงธรรมในายามเดึกให้กับเทวดาและไปโปรดไปแสดงธรรมให้กับบุคคลที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมในวันนั้นนี่คือพุทธกิจ ห้าข้อของพระพุทธเจ้าสี่ข้อเกี่ยวกับการเผยแผ่ทำคำสั่งคำสอนส่วนอีกข้อหนึ่งนั้นเป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุคือบิณทบาทโปรดสัตว์เลียเ้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองด้วยการบินทบาทและในขนาดเดียวกันก็ได้โปรดสัตว์คือได้ทำให้ผู้ที่อยากจะได้บุญได้กุศลจากการทำบุญใส่บาตก็จะได้มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตอย่างสะดวกง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่วันนนี่คือการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระเจ้าเบื้องต้นได้ทรงศึกษาค้นคว้าหาวิธีทางดับทุกข์ว่าต้องทำอย่างไรพอได้ค้นคว้าได้ส่งค้นพบวิธีแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติทรงสละราชสมบัติเป็นการทำทานมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ก็สละไปหมดแล้วก็ไปออกบวชไปออกบวชก็ไปถือศีลของนักบวช น, นักบวนีสตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดเป็นศีลของนักบวชแล้วก็ไปศึกษาวิธีการปฏิบัติสมาธิกับครูบาอาจารย์ต่างๆจนการศึกษาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับระดับของปัญญานี้ ไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนมีความรู้ความสามารถที่จะสอนพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์เลยต้องค้นคว้าลองผิดลองถูก ด, ด้วยตนเองสอนตอนเองจนในที่สุดก็ได้ค้นพบการดับความทุกข์อย่างถาวรด้วยปัญญาวิธีการดับทุกข์ของขั้นอื่นคือขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นฐานนี้เป็นการดับความทุกข์ ได้แบบชั่วคราวไม่ถาวรหรือลดหรื อ, รอเป็นการลดความทุกข์ให้เบาบางลงให้น้อยลงไปการทำทานนี้ก็จะลดความทุกข์ในใจให้น้อยลงไปการรักษาศีลก็จะลดให้น้อยลงไปการนั่งสมาธิก็จะหยุดความทุกข์ได้เป็นพักๆแต่ยังไม่สามารถที่จะหยุดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างสมบูรณ์ ต้องมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะเข้าถึงเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจและระงับเหตุนั้นด้วยเครื่องมือคือปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถที่จะทําลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ขั้นที่ขั้นสุดท้ายคือขั้นปัญญานี้ไม่มีใครรู้ ยังไม่มีใครตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้ากันไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้จิตใ จ, จนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวอน<ม>ก็มีเจ้าชายเสท ธ, ธาที่มาบวชเป็นสัมมาณโคดมนี้<ม>เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าหาทางสู่การดับความทุกข์อย่างถ่าวรได้ด้วยพระ อ, องค์เอง พอหลังจากที่พระ อ, องค์ได้สามารถกําจัดความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยปัญญาที่ได้ท่งค้นพบแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเลีกพระ อ, องค์เองว่าเป็นผู้ตัดทะลโดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองรู้ทางและสามารถเดินไปในทางนั้น จนสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปจากใจของพระ อ, องค์เองได้พระ อ, องค์จึงกลายเป็นพระอรหันต์ตัสา ม, มาสามพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความรู้ความสามารถของพระ อ, องค์เองหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็จึงได้เอาธรรมะคาสั่งคําสอนมาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พอท่านเหล่านั้นได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วได้นํำมาธรรมที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแต่ท่านจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเรียกตัวเองว่าอารหัน ต, ส า, านตสาวกคําว่าสาวกก็คือนักเรียนนักศึกษานี่เอง ผู้ที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้เราเรียกว่าสาวกเป็นพระเป็นพระอรหันตสาวกก็คือเป็นบรรลุเป็นพระอรหันอรหัน์ด้วยการได้เรียนได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้ามีคนเดียวเท่านั้นที่เรียกตัวที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองนอกนั้นแล้วไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะบรรลุได้อย่างพระพุทธเจ้าด้วยตนเองได้ ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่คาสั่งคำสอนตอนพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุตัดสลวแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วองค์จึงได้ดำเนินการเผยแผ่ทำหน้าที่เป็นศาสดาสั่งสอนในเต็มรูปแบบสั่งสอนให้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆทั้งคารวาดญาติโยม ผู้คองเรือนทั้งนักบวชบรรพชิตทั้งเท ว, เทวดาทรงโปรดหมดสามารถทําให้บุคคลต่างๆที่ติดอยู่ในกองทุกนี้ได้หลุดออกจากกองทุกได้กันอย่างเป็นจํานวนมากนี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามขั้นตอนของพระพุทธเจ้าขั้นตอนแรกพระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นหาวิธีทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็เห็นว่าจะต้องออกบวชต้องสละราชจะสมบัติทำทานลปรักษาศีลแล้วก็ไปเรียนรู้จากพระอาจารย์ที่รู้จักวิธีทำสมาธิส่วนเรื่องการเรียนรู้ทางปัญญาไม่มีอาจารย์คนไหนรู้เรื่องของปัญญาก็เลยต้องค้นคว้าหาปัญญาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ส่งคนพบอริยรรสัจสคนส่งคนพบไตรลักษณ์ ที่เป็นปัญญาที่จะทำให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะพระเจ้าทาตามขั้นตอนทั้งสี่ขั้นขั้นตอนแรกศึกษาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าต้องทำอย่างไรพอรู้แล้วก็นำมาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติอย่างเข้มข้นอ ย, อย่างต่อเ น, นื่องไม่เสียเวลากับการไปทำภารกิจอย่างอื่นช่วงที่ทรงปฏิบัตินี้ไม่ไม่ไป ทำภารกิจอย่างอื่นเลยเอาแต่เรื่องการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งได้บรรลุได้บรรลุตัดสั้เป็นพระอรันต์ตัดสามติสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรแล้วจึงค่อยมาเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับต่อไป พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนแนวทางนี้ให้กับพุทธบริษัทที่มาศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าว่าเบื้องต้นให้ศึกษาให้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติก่อนให้เรียนรู้พอพอพอเป็นสังเขปพอให้รู้ว่าต้องทําอะไรแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาสลับกับการปฏิบัติก็มาฟังเทศฟังธรรมเป็นพักเป็นพักๆเช่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งบ้างถ้ามีเวลาว่างวันสมัยก่อนพุทธเจ้าจะให้ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆว่าวิธีการที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่คาดเคลื่อนอย่างใดหรือไม่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ อ, อาจจะคาดเคลื่อนได้โดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นในการในการปฏิบัติ กับการศึกษานี้มักจะเป็นไปคู่กันไม่ได้แยกทางกันไม่ได้เรียนอย่างเดียวสิบปียี่สิบปีจนกว่าจะเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วค่อยเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้นี้ไปปฏิบัติอย่างนี้มันไม่มันมันไม่ได้เป็นเออพราะเพราะเรียนไปจบสิบปีนี่มันก็ลืมนะพอจะไปปฏิบัติจริงๆก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไร เพราะฉะนั้นเรียนไปเท่าที่เราควรจะเรียนให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเบื้องต้นท่านก็สอนให้เราทำทานก่อนเรามีเงินมีทองที่เหลือกินเหลือใช้อย่าเอาเงินนี้ไปใช้ให้เกิดโทษกับตัวเราเองอย่าเอาเงินนี้ไปสร้างความทุกข์ด้วยการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเงินทองที่เราไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติด พอรูปเสียงกิ่นรถนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดพอเราไปเสพแล้วมันจะติดต้องคอยเสพอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทำให้เราทุกข์นั้นอย่าไปอย่าไปใช้เงินทองซื้อยาเสพติดให้กับใจให้เอาเงินทองไปซื้ออาหารให้กับใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานเวลาเอาเงินทองไปทำบุญทำทานแล้ว ใจของเราจะมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจมีความพอใจไม่หิวไม่หดกับการที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปกินไปดื่มที่ไม่จำเป็นจะต้องกินต้องดื่มเอาเงินไปทำบุญดีกว่าทำบุญทาทานเราจะทำบุญกับใครก็สามารถเลือกทาได้ ซึ่งโดยธรรมเนียมเราก็ควรจะทำบุญกับผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อนเช่นบ mm ิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณกับเราควรจะทำบุญกับท่าน mm hmm. มีเงินมีทองก็แบ่งให้ท่านใช้บ้างอ mm hmm. ย่าเอาแต่ขออย่างเดียวต้ mm hmm. องรู้จักใช้คืน mm hmm. เป็นการสแสดงความกตัญญูกะตะเวที mm hmm. เป็นการปฏิบัติทานขั้นที่หนึ่ง mm hmm. เป็นการทำให้เรา คำละความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดจากการที่เราใช้เงินไปในทางที่ผิดใช้เงินกับการไปซื้อยาเสพติดทางรูปทางรูปเสียงกิ่นลดผลเถรภาเอามาทำบุญทําทานกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราเราจะทําให้เรามีความรู้สึกตื้นตันใจมีความสุขใจนอกจากบิดามารดาแล้วเราก็มีผู้ที่มีพระคุณกับเรา เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมทา ง, ทางโลกก็ครูบาอาจารย์ที่สอนเราตามโรงเรียนต่างๆทางธรรมก็คือครูบาอาจารย์ที่เผยแผ่ธรรมะสั่งสอนกับเราเราก็ไปทำนุบำรุงครูบาอาจารย์ทางาศาสนาไปทำบุญใจบาตรไปถวายทานชนิดต่างๆเพื่อบำรุงพระพุทธศาสน า, าให้อยู่ ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ที่อยากจะเรียนรู้อยากจะปฏิบัติอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นกันอันนี้คือการทำบุญทำทานให้ทให้ใช้เงินที่เรามีอยู่ไม่ใช่ให้ไปหาเงินมาเพื่อมาทำบุญทำทานอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีทำบุญทำทานที่ถูกต้องสมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินที่จะทาบุญทาทานเราอยากจะทาบุญทาทานนี้เรา ไม่ต้องใช้เงินทองเราก็ทำได้ใช้แรงกายของเราก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นมาวัดเห็นวัดสกรปรกห้องน้ำสกรปรกมาล้างห้องน้ำกันมาทำประโยชน์เห็นวัดไม่ไม่เรียบร้อยมาช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้ของเงินเดือนจากทางวัดอย่างนี้ก็เป็นการทำทานเหมือนกัน ทำทานด้วยร่างกายของเราถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เราอยากจะทำบุญทำทานก็ให้ทำด้วยกาลังกายกาลังความรู้ของเราเรามีความรู้ความสามารถที่จะนำมาไปทาให้เกิดประโยชน์กับใครเราก็นำอาไปทำก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะทาบุญทาทานได้บางคนเข้าใจผิดไม่มีเงินทองอยากจะทำบุญอยากจะทอดพราป่าอยากจะถวายสังฆทาน ก็ต้องไปทำเงินมาหาเงินมาเพื่อมาทำบุญทำทานอันนี้มันจะเป็นการเดินเดินเดินอยู่ในอ่างไปไม่ถึงไหนการทำบุญทำทานนี้เพื่อให้เราไม่ให้ไปยึดติดกับเงินทองที่เรามีอยู่ไม่ให้เอาเงินทองนี้ไปใช้ในทางที่ผิดในการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆในการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายถ้าเรามีเงินเหล่านี้เราก็เอาไปทำบุญทาทาน ถ้าเราไม่มีเงินเหล่านี้เราอยากจะทําบุญทําทานเราก็ไปทําคุณทําประโยชน์ด้วยร่างกายของเรากับกับที่ไหนก็ได้ที่วัดที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลที่ไหนที่เขาต้องการคนที่จะมาช่วยงานเขาโดยที่เราไม่ไปเรียกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเราก็ได้ทําบุญทําทานหรือไม่เช่นนั้นเราก็ไปปฏิบัติทําเลยก็ได้เมื่อเราเมื่อเราไม่มีเงินทองที่จะทําบุญทําทาน เราอยากจะได้บุญที่สูงกว่าเราก็ไปรักษาศีลไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมก็ได้อันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำบุญทำทานถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะทำบุญทำทานอย่า เ, อาเวลาไปหาเงินมาเพื่อมาทำบุญได้บุญน้อยกว่าเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมนี้ได้ได้บุญมากกว่าดัางงั้นถ้าเราอยากจะได้บุญ แต่เราไม่มีเงินทำบุญทาทานอย่าไปหาเงินมาเพื่อทำบุญทาทานเอาเวลาที่จะไปหาเงินเพื่อเอาเงินมาทำบุญทาทานนี้เอาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าจะได้บุญมากกว่ า, านี่ก็คือการทำทานของคนที่ยังมีสตางค์อยู่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรถ้าใช้ก็ไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปซื้อของหรูหรา เอาไปซื้อยาเสพติดของใจคือไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสไปเที่ยวตามต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นการเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวแทนที่ยามเงินทองมาดับความทุกข์กลับเอามาสร้างความทุกข์เพราะเวลาเราใช้เงินแบบนี้แล้วมันจะติดติดเที่ยวติดดูติดฟังติดกินติดเดิมติดซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเวลาไม่มีเงินจะซื้อ ไม่มีเงินจะเที่ยวมันจะทุกข์เราสร้างความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราความทุกข์มันไม่เกิดทันทีมันไม่ได้เกิดตอนที่เราใช้เงินมันเกิดตอนที่เราไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะใช้นี้ก็ทุกข์ก็สิอยากจะไปเที่ยวก็ไปเ ท, ที่ยวไม่ได้อยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ไปดูไปฟังไม่ได้อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่า ง, า ง, างๆก็ซื้อไม่ได้ตอนนั้นละ่ะทุกข์มันถึงจะมาเพราะเราติด แต่ถ้าเราไม่ไม่ติดของพวกนี้เรามีเงินเราเอาไปทำบุญทาทานเราจะไม่หิวโหวยใจเราจะไม่มีความอยากจะเสพยาเสพติดต่างๆไม่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยไม่อยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะอยู่แบบเงียบๆอยู่อย่างสบายๆการทำบุญนี่แหละจะทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราสบายเราจะทำให้เราไม่หิวโหวยกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อันนี้คือข้อแรกของการาดับความทุกข์ทางใจดับด้วยการทําบุญทําทานเมื่อเราดับทำทุกข์ทางใจได้แล้วเราก็มาทําข้อที่สองคือการรักษาศีลเริตน้นการักษาศีลห้าก่อนการรักษาศีลห้าก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปได้เวลาที่เราทําบาปนี่เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราไปฆ่าใครนี่ใจเราจะ ทุกขึ้นมาทันีเวลาที่เราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเราจะไม่สบายใจเวลาเราไปประพฤติผิดประเพณีไปโกโหกหลอกลวงใครนี่มันจะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทุกข์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาที่ตายไปก็ต้องไปอยู่ในอบายไปไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าทําบาปแล้วก็ถือว่าปิดประตูสวรรค์ไป ถ้าอยากจะไปสวรรค์นี้ต้องปิดประตูอบายต้องไม่กระทำบาปง mm hmm. ั้นสินห้านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรักษากัน mm hmm. ในเบื้องต้นนี้ต้องหัดรักษาสินห้าให้ได้ก่อน mm hmm. เพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาป mm hmm. เมื่อเราสามารถรักษาสินห้าได้แล้วถ้าเราอยากที่จะไปดับความทุกข์ที่ละเอียดกว่าความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่ศีลไม่สามารถระ ง, งับได้ ถึงแม้เราจะถือศีลห้าแล้วเราก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากความโลภจากความโกรธได้อยู่ <Yeah. Yeah. S 1> เวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรที่เราไม่ถูกใจเราก็จะโกรธขึ้นมาก็ได้ <Yeah. S 1> เวลาที่เราเห็นอะไรอยากได้เราก็เกิดความโลภขึ้นมา <Yeah. S 1> พอโลภแล้วใจเราก็จะไม่สบายใจ <Yeah. S 1> ยกิเลสแบบนี้เราไม่สามารถใช้ทานใช้สิงดับความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> เราก็ต้องใช้วิธีภาวนา คือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนานี้จะดับความทุกข์ได้ชั่วคราววิปัสนาภาวนานี้จะดับความทุกข์าานนดกได้อย่างเต็มที่แต่ขั้นต้นนี้เราต้องใช้วิธีสมถะภาวนาก่อนเพราะว่าการที่เราจะใช้วิปัสนาภาวนาได้เราต้องมีสมถะภาวนาเป็นผู้สนับสนุนก่อนถึงจะสามารถใช้วิปัสนาภาวนาได้ การเบื้องต้นเราต้องใช้สมถะภาวนาสมถะภาวนาแปลว่าการทําใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้คิดปรุงแต่งใจของเรานี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้มีคิดอยู่ตลอดเวลาคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลานอนหลับถึงเวลานอนหลับบางทีก็ยังไม่หยุดคิดก็มีคิดต่อไป รากฏเป็นความฝันขึ้นมาความฝันนี้ก็คือความคิดของใจเหล่านี้เองมันก็จะคิดไปเรื่อยเราก็เลยไม่เคยพบกับความความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความสุขของใจเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความสงบนี้สามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราได้เังนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงก่อน ด้วยการหยุดความคิดให้ได้ <Yeah. S 2> การจเจริญส ม, มถาภาวนานี่ก็เป็นการจเจริญเหตุ <Yeah. S 2> เหตุที่จะทำให้ใจสงบคือสติ <Yeah. S 2> ใจของเรานี้ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรนี้เราต้องมีสติคอยควบคุมคอยบังคับไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <Yeah. S 2> ถ้าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะไม่มีวันสงบได้ <Yeah. S 2> มันลถที่วิ่งลงเขาเนี่ ถ้าไม่มีเบรกนี้มันจะหยุดมันไม่ได้มันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆ เ, เพราะมีแรงแรงดึงดูดของโลกดึงให้มันวิ่งลงไปเรื่อยๆใจของเราก็มีกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเป็นตัวคอยผลักดันความคิดของเราให้คิดอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะระงับดับความทุกข์ ระงับจากความวุ่นวายใจเราต้องติดเบรกให้กับใจเหมือนกับติดเบรกให้กับรถยนต์รถยนต์ที่วิ่งลงเขาที่ไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเหยียบเบรกได้มีเบรกติดติดเบรกให้กับรถยนต์แล้วเหยียบเบรกรถยนต์ก็จะหยุดได้เวลาที่รถวิ่งลงเขาแล้วเราไม่ต้องการให้มันวิ่งเราก็เหยียบเบรกมันก็จะหยุดได้ฉันในใจของเราก็เหมือนกันใจของเรานี้ไม่เคยมีความสงบเลยไม่มีความสุข ที่เกิดจากความสงบเลยไม่มีความความความสงบที่ระ ง, งับความความฟุง้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆได้เลยเพราะเราไม่มีเบรกกันไม่มีเบรกของใจไม่มีสติเราต้องมาสร้างเบรกมาติดเบรกให้กับใจวิธีติดเบรกก็ต้องใช้รูบายของกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้เป็นเครื่องสร้างสติขึ้นมาเราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน แต่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิดเป็นเหมือนอาหารเวลาที่เราไปกินอาหารในร้านนี้มีอาหารมากมายกลายกองบางทีเราสั่งชิ้นอย่างเดียวเอาเอาชนิดนั้นมากินสั่งมาอย่างเดียวก็พออันนี้ก็เหมือนกันกรรมาฐานเวลาที่เราเอามาปฏิบัติจริงๆนี้เราจะใช้เพียงทีระยะ และอย่างที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่เริ่มต้นก็คือการใช้พุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของความที่ตั้งที่จะที่ตั้งของใจที่ยึดเหนี่ยวของใจก็ให้ใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนคิดถึงพระพุทธคุณเช่นการสวบดบทพระพุทธคุณเช่นอิติปิโสภะกวาอหารหังสัมมาสัมพุทโธ อันนี้แหละเป็นการเจริญพุท ธ, ธานุสติหรือถ้าอยากจะทำแบบสั้นๆก็ใช้ชื่อพุโทโธแทนก็ได้ขอให้เรารูกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆเราต้องขยันอย่าขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่พุโทโธสองสามคำแล้วจะคิดว่าความคิดมันจะหยุดหายไปเลยมันไม่หายไปหรอกมันต้องพุโทโธเกือบทั้งวันนะ่ะพุโทโธไปเรื่อยๆเอาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมานี่เราไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวบเรื่องอะไรก็อย่าปล่อยให้ใจคิดไปเ<ป>ดึงไว้ด้วยพุโทโธพุโทโธตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นมาก็พุโทโธพอลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนเดินไปเข้าห้องน้ําไปล้างหน้าปแปรงฟันอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปด้วย<ม>อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีความสําคัญที่จะต้องคิดก็อย่าไปคิด เอาแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรก็พอคิดว่าต้องทําอะไรต้องแปลงฟันต้องแปลงฟันก็คิดนิดหน่อยแล้วพอแปลงฟันก็หยุดคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปดูการแปลงฟันไปอยู่กับพุโทโธไปเถ้าเราทํานี้ได้เราจะเราจะหยุดความคิดได้มากแล้วพอถึงเวลาที่เราอยากจะนั่งสมาธิเราก็จะนั่งได้อย่างง่ายได้เพราะเรามีเบรกเราคอยควบคุมความคิดอยู่แล้ว ถ้าเราไม่เคยฝึกสติมาก่อนเลยแล้วเวลาเราอยากจะนั่งสมาธิพอมานั่งนี่ใจมันคิดเรื่อยเปื่อยคิดฟุง้งซ่านนั่งไปนานทั้งหร่มันก็ไม่สงบสักทีเพราะเราไม่มีสติมาคอยระ ง, งับดับความคิดนั่งแล้วแทนที่จะให้อยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ไม่อยู่มันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้บางทีก็เปลี่ยนมาให้ดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกดูลมได้สองแป๊บเดียวดูเข้าดูออกแป๊บไปละ ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ละนี่ยถ้านั่งแบบนี้นั่งไปจนมันตายก็ไม่สมบงบเพราะไม่มีสติคอยควบคุมคอยหยุดความคิดการที่เราจะนั่งสมาธิให้ได้ผลดีนี้ได้ผลจริงๆรนี้เราจะต้องฝึกสติมาก่อนต้องเตรียมต้องมีเครื่องมือมีสติเนี่ยถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีวันที่เราจะสามารถทําการ ภาวนาคือสมถะภาวนาให้เกิดผลให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตตารมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้เลยยันอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนั่งสมาธิตอนนี้ให้พยายามสร้างสติให้มากก่อนพยายามฝึกสติในชีวิตประจำวันของเรา เราสามารถเจริญสติได้ในช่วงที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการงานต่างๆช่วงเช้าที่เราเตื่นขึ้นมาขณะที่เราอาจจะเตรียมตัวไปทํางานทําการนี่เราก็พยายามฝึกสติไปในช่วงนั้นก่อนแล้วเวลาที่เราไปทํางานในช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานในช่วงไหนที่เราไม่ต้องพูดคุยกับใครเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธของเราไปอย่าไปคิดเรื่อยเปื่อยอย่าไปพูด คิดเพิ่มฝันเพิ่เชื่อถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาใช้พุทโธดีกว่าคิดถึงพุทโธดีกว่าแล้วมันจะทําให้ความคิดมันเบาบางลงความคิดเบาบางลงใจก็จะว่างใจก็จะเย็นเพิ่มมากขึ้นเวลาไม่มีความคิดนี่ใจมันจะเบาสบายเพราะเวลาที่เราหนัก อ, อกหนักใจนี้มันก็หนักอกหนักใจจากความคิดนี่แหละ คิดถึงหนี้สินมันขึ้นนี่ต้องจ่ายนี่มันก็หนักอกหนักใจขึ้นมาคิดถึงคนที่ดื้อคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ทำให้เราหนักอกหนักใจแล้วพอเราไม่ไปคิดถึงเขาปล่อยให้เขาดื้อไปคิดถึงนี่ก็ปล่อยไ้ไม่ต้องไปสนใจตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายไม่ต้องไปหนักไม่ต้องไปแบกมันอยู่กับพุทโธพุทโธไปก่อนพอลืมเรื่องนี่เรื่องคนนั้นคนนี้ได้ใจก็เบาขึ้นมาใจก็สบายขึ้นมา ถ้าใจเบาใจสบายเวลานั่งสมาธิมันจะนั่งได้ง่ายมันจะไม่รู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใจไม่ไม่เบาไม่สบายใจยังหนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เวลามานั่งสมาธินี่มันรู้สึกอึดอัดนั่งแล้วรู้สึกแน่นตรงนั้นอัดอึดอัดตรงนี้นั่งได้ห้านาทีก็ไม่อยากจะนั่งแล้วทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะว่าเราไ ม, ไม่มีสติมาก่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเรายังนั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติพอยังยังไม่ต้องไปกังวลกับการนั่งสมาธิเรามาเจริญสติก่อนเจริญสติได้ในทั้งอิริยาบถสี่เดินยืนนั่งนอนนี่เจริญได้ตลอดเวลาทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็เจริญสติไปใช้พุทโธพุทโธไปเดินไปเดินมาไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็พุทโธพุทโธไป พยายามฝึกพุทโธไปเรื่อยๆให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาติ็ดเป็นนิสัยแล้วเราจะลดความคิดต่างๆให้น้อยลงได้พอความคิดน้อยลงใจเบาขึ้นใจสบายขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะง่ายอยู่กับพุทโธได้อยู่กับพุโทพโธได้ไม่นานจิตก็จะรวมเป็นเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้รวมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าจิตรวมจิตจะรวมคือจิตจะถอนออกจากตาหูจมูกนิ้นกายจิตจะถอนออกจากความคิดต่างๆ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วไปรวมอยู่ข้างในใจอยู่ที่ความนิ่งที่ความสงบที่ตัวรู้ที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้นี่จิตจะอยู่ตรง น, นั้นน่ะตอนนั้นเรียกว่าสมาธิถ้าจิตรวมถึงจุดนั้นได้แล้วจิตก็จะมีความนิ่งมีความสงบแล้วก็จะมีความสุขที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนความสุขอันใดในโลกนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่านติสันติปรังสุขขัง ส, สุขใดที่เสมอเท่าเลื่อนหนือเื่อนดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราไปถึงจุดนั้นเราก็ถือว่าเรามีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้แนละ้วเพราะช่วงที่จิตสงบนี้กิเลสทํางานไม่ได้ความโลภความโกรธความหโงออกมาทํางานไม่ได้ ตอนนั้นใจจะเย็นใจจะสบายไม่มีความโลภอยากได้อะไรไม่มีความโกรธใครเคยโกรธใครความโกรธนั่นก็หายไปไม่มีความหนงอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะมีนั่นมีนี่มีความอิ่มมีความพออยู่ในตัวของมันเองนี่แหละคือผลของการฝึกสติเพื่อให้เราได้สมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าเราถ้าเราฝึกถึงขั้นนี้แล้วเราก็ถือว่าเราสำเร็จขั้นที่หนึ่งของการภาวนาคือขั้นสมถะภาวนาแล้วก่อนที่เราจะไปขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาเราก็พยายามที่จะาทาขั้นที่หนึ่งให้ชำนาญก่อนพยายามฝึกฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนฝึกสติให้ชำนาญจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยจนกระทั่งถึงถึง ถึงจุดที่เราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่นั่งหลับตาพับพุทธโธสองสามคำมันก็เข้าไปเลยต้องทำให้สมาธิให้ชนานาญให้คล่องแคล่วก่อนแล้วที่เรามั่นใจว่าเราสามารถหยุดกิเลสได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปการไปขั้นปัญญาคือขั้นวิปัสสนา คือการไปสอนใจให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นของที่มีการเจริญมีการตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็มีการดับไปเป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้มันเป็นกฎของธรรมชาติอนัตตา ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่มามาควบคุมกฎอันนี้ได้มันเป็นกฎของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเช่นร่างกายของเราเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายไม่มีใครที่จะมาห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้จิตที่มาครอบครองร่างกายนี้ที่ไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจ ทุกขังก็เกิดขึ้นถ้าไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอยากจะให้มันเป็นนิจจังอยากจะเป็นอัตตาอยากจะเป็นของที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราได้เราก็จะไปอยากอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์เพราะเราจะไม่ได้ดังใจหมาดังใจอยากนั่นเองอยากได้อะไรถ้าไม่ได้ดังใจอยากเราจะทุกข์ใจจะเสียใจ นี่คือกฎของไตรลักษณ์ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ใจของเราถ้าไม่มีไม่มีปัญญาไม่เห็นไตรลักษณ์พอเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเห็นลาบยศฉลสริญก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเห็นแต่ความสุขเพียงด้านเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองด้านมีด้านที่เป็นสุขและด้านที่เป็นทุกเวลาที่เวลาที่ได้มามันเป็นสุขเวลาได้เงินมานี่มันสุข เวลาใช้เงินหมดไปแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เวลาเงินหมดนี่ทุกข์ก็สุขเวลาได้เงินมามันสุขแล้วจะเก็บเงินไว้ให้มันอยู่กับเราไปตลอดได้ไหมถ้าเก็บไว้ก็ต้องไม่ใช้ถ้าไม่ใช้มันก็มันรู้จะมีเงินไปทํำไมมันก็มันก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีได้มีเสียมีมามีไปมีเกิดมีดับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีเงิน วิธีที่ทําให้เราไม่มีเงินก็คือเราต้องมีความสงบมีสมาธิถ้าเรามีสมาธิมีความสุขที่เกิดจากสมาธิเราไม่ต้องใช้เงินเพราะเรามีความสุขที่ที่เงินทองซื้อไม่ได้<ม>เป็นความสุขที่ดีกว่าเงินเงินทองที่จะซื้อมาให้กับเราขั้นต้นเราถึงต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขทางใจก่อนเมื่อเร า, ามีความสุขทางใจแล้วเราก็ไปศึกษาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นความสุข ชั่วข่าวมันความสุขปลอมความสุขที่มีวันเสื่อมมีวันหมดมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดความสุขเหล่านั้นเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปนี่เป็นยังไงสุขใจหรือทุกข์ใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่มันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์แล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่าว่าไม่ให้สิ่งที่เรารักไม่ให้คนที่เรารักจากเราไป เราก็ห้ามเขาไม่ได้เมื่อถ pues ok ึงเวลาเขาจะจากเราเขาก็ต pues ้องจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปมีเขาอย่าไปถือเขาอย่าไปอาศัยเขาให้ความสุข <oh กับเราเราอาศัยความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ดีกว่าอาศัยความสุขที่ได้จากสมาธิพอเรามีสิ่งที่มาทดแทนความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราก็ไม่ต้องไปมีเขาก็ได้เขาจะอยู่เขาจะตายเราก็ไม่เดือดร้อน อันนี้แหละคือปัญญาเราต้องเห็นว่าทุกถึงทุกอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไปใช้ไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเวลาที่เขาจากเราไปเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจถ้าเราจะไม่อยากจะทุกข์ใจไม่อยากจะเสียใจเราอย่าไปอยางให้เขามาให้ความสุขกับเราอย่าไปอยากให้เขามาอยู่กับเราเป็นของเราดูอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่โดยที <im ri ana> ่ไม่มีอะไรอยู่การไม่มีอะไรนี่เป็นความสุขอย่างยิ่ง เพราะไม่มีความทุกข์การไม่มีอะไรแล้วเราจะไปทุกข์กับอะไรแต่พอมีอะไรปั๊บจะต้องทุกข์กับสิ่งท right> <ma ี่เรามีทันทีมีเงินก็ต้องทุกข์กับเงินมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันเพราะของทุกอย่างที่เรามีมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนแต่เราอยากให้มันอยู่แน่นอนอยู่กับเราแต่มันไม่แน่นอนพอถึงเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจ อันนี้คือขั้นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาแต่ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนเราต้องสามารถเข้าสมาเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเพราะเวลาที่เรามาเจริญวิปัสสนาเราต้องใช้ความคิดและบางทีเราคิดมากไปก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ได้พอจิตเริ่มฟุ้งซ่านแล้วเราก็ต้องหยุดพิจารณาหยุดเจริญทางวิปัสสนาแล้วก็กลับมาเข้าสมาธิถ้าเราเข้าสมาธิไม่ไม่คล่องมันก็อาจจะเข้าไม่ได้ ถ้าถ้าเข้าสมาธิไม่ได้ใจเราก็จะเครียดใจเราก็จะทุกข์กับความคิดได้เราจึงต้องฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนที่เราสามารถที่จะดึงใจที่ฟุ้งซ่านนี้ให้เข้าไปอยู่ในสมาธิได้ตามเวลาที่เราต้องการพอใจเราเริ่มฟุ้งจากการพิจารณาเราก็หยุดพิจารณาแล้วเราก็เข้าไปสมาธิพักจิตก่อนพักจิตให้มีกําลังก่อนพอจิตสงบมีกําลังแล้วก็ออกมาพิจารณาต่อแล้วก็นําำอาไป ทำเป็นทำข้อสอบต่อไปพิจารณาแล้วว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บมันตายได้หรือไม่ถ้าปล่อยได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณาใหม่ว่ามันต้องมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ต้องยอมรับมันให้ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ในที่สุดมันก็จะยอมรับเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์ถ้ามันเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ยอมยอมตายดีกว่าเพราะไงมันก็ต้องตายอยู่ดี เราห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมตายมันจะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเรายอมตายแล้วเราจะไม่ทุกข์<ม>จเจ้าอย่างไหนดี<ม>ตายเหมือนกันตายแบบทุกข์หรือตายแบบไม่ทุกข์จเจ้าอย่างไหน<ม>เราก็จะได้ข้อสรุปเองแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายแล้ว<ม>นี่คือวิปัสสนาที่จะทําให้ความทุกข์ที่เรามี กับเรื่องนั้นเรื่อนี้หายไปอย่างถาวรพอเราไม่กลัวตายแล้วพอเรายอมตายแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับความตายต่อไปเราก็ยังอยู่ต่อไปจนกว่าร่างกายมันจะตายอันนี้คือตัวอย่างของวิปัสสนาเพื่อต้องเห็นว่าทุกอย่างมันต้องมีวันจบมีวัน ส, สิ้นไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปยั่งยืนอย่างถาวรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราอยากไปอยากกับมันปล่อยมันไปมันมันอยากจะไปก็ปล่อยมันไปอย่าไปอยากให้มันอยู่ มันอยากจะมาก็อย่าไปห้ามมันมาบางอย่างเราก็ไม่อยากให้มันมาเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่อยากให้มันมาแต่มันก็จะมาถ้าเราอยากให้มันไม่มาเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราถ้าเราปล่อยให้มันมาเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นตน้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ พอเราดูพ้นจากความทุกข์แล้วที่นี้เราก็ไปสอนคนอื่นได้แล้วถ้ามีใครอยากจะเรียนรู้มาถามเราเราก็สอนเขาไปถ้าไม่มีใครเรียนรู้ก็เราก็ไม่มีความอยากจะสอนแล้วก็อยู่เฉยๆไปก็ได้หรือจะสอนใครก็ได้แล้วแต่เราไม่มีปัญหาอะไรต่อไปอ น, นี้คือหน้าที่ของชาวพุทธที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือข้อที่หนึ่งศึกษาคำสอนข้อที่สองปฏิบัติตามคาสอน ข้อที่สามบรรลุทำที่เกิดจากการปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงข้อไปข้อที่4ี่เผยแผ่สั่งสอนตามลําดับต่อไปถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราจะได้ประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราจะช่วยเหลือให้คนอื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์และจะทําให้เรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานต่อไปนี่คือเรื่องเราเราฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนอยะท้าวาฤวาาปุราปาริโกโเลนติสาขลังเอวามีวาอิโตชินางเปตานาังอุ ป, ปกับปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวาสนิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาวัสโยยถาณิโชติอารัสโยยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะรูโกวินัสสตุมาเตภวัตตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ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 ถ้าไม่ถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f a c e b o o พระอา จ, จารย์518 YouTube พระสุชาติไลฟ์296 YouTube ด็อกเตอร์วีชานลิวิทยุออนไลน์10คลับเฮาส13หน้ากุฏิ173รวม1106พหนึ่งค่ะ ค่ะคำถามจากคุณมนัสค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์สำหรับผู้สนใจในธรรมเรายังสามารถฟังไลฟ์โค้ชที่สอนในยู u b e ได้หรือไม่หรือควรเอาเวลาไปฝึกสติทำสมาธิจะดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรมีความรู้พอเพียงแล้วก็ไปทำในส่วนนั้นก่อนดีกว่าความรู้อย่างอืงอ่นนี้ค่อยรอขั้นต่อไปขั้นแร น, นี้ ควรจะสร้างสติให้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทำได้ก่อนพอมีสติแล้วแล้วมีสมาธิแล้วค่อยไปทางปัญญาอันนั้นก็อยากจะเรียนรู้วิธีพจิจารณาอนิจจาในรูปแบบต่างๆเช่นความตายเช่นอาการสาสองอะไรเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นขั้นวิปัสสนายัางไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญตอนนี้แต่ฟังไว้บ้างก็ได้ไ ม, ไม่ไม่ห้าม แต่จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาต้องรอให้ผ่านขั้นสมาธิไปให้ได้ก่อนนั้นจะได้สมาธิต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องคอยหยุดความคิดถ้าไปทําอย่างอื่นนะเดี๋ยวมันจะเผลอคิดไปกับเรื่องที่เราไปทํามันก็จะไม่มีสติพอที่จะมาหยุดความอยากหยุดกิเลสได้คําถามจากคุณศรัทธาแห่งพุทธะอยากสอบถามพระอาจารย์ว่า ทำไมกระดูกพระอรหันต์ถึงได้กลายเป็นมณีหรือเป็นสีสันต่างๆตามที่ผมเห็นในสื่อต่างๆของโลกธรรมแปดครับเทที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายว่าจิตของพระอรหันต์นี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นจิตที่ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงเมื่อจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มันมาอยู่กับร่างกายมันก็เลยฟอกร่างกายให้เป็นาธาตุขึ้นมากันอยู่บางส่วน สังเกตดูคนเราเวลาเครียดนี้หน้าตาจะแก่ผมจะงอกไว้เหี่ยงหนังใจเหี่ยวยน่นเวลาใครไปรับตําแหน่งสูงๆเช่นเป็นนายกหรือเป็นสักปีสองปีนี่แก่ลงไปไม่รู้แต่พอออกจากนายกมาไม่ทัน ป, ป, ปีกลับมาเป็นหนุ่มขึ้นมาเพราะความเครียดมันไม่มีความเครียดก็ผลจากกิเลสตัณหาเั้นใจของพระอ ร, า ห, ารหันต์นี่ท่านจะไม่มีความเครียด กายของท่านจะเย็นจะสบายความเย็นสบายมันเลยไปทําให้ร่างกายไม่ไม่ไม่มีสังหลังสารต่างๆออกมาที่จะทําลายร่างกายมันก็เลยทําให้สักพอกาธาตุไปในตัวทาให้กระดูกบางสว่วนไม่ใช่ทั้งตัวนะบางชิ้นบางอันก็กลายเป็นอั ญ, ญมณีขึ้นมาเหมือนเหมือ น, น, นเพชรพลอยขึ้นมา คำถามจากคุณวงผมนั่งสมาธิประมาณ10ถึง15นาทีท่องพุโทโธพุโทโธตลอดอยู่ดีๆเกิดความคิดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาต่างๆตามมาด้วยความคิดการแก้ปัญหากับเรื่องต่างๆรู้สึกสบายใจแต่พอผมมาทำงานผมมาเจอปัญหาเดิมๆก็เกิดความไม่พอใจเหมือนเดิมแต่สักพักก็ลืมไปผมนั่งสมาธิ ถ, ถูกวิธีไหมครับถ้านั่งให้ความสงบก็ไม่ถูก啊 ถ้านั่งเพื่อที่จะมาคิดแก้ปัญหามันก็อาจจะแก้ได้เป็นบางบางอย่างบางเรื่องบางราวแต่ก็ไม่ได้เป็นแก้กันแบบถึงรากถึงโคนงั้นอย่าไปคิดดีกว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าเกิดความคิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ความว่างอันนั้นแหละคือผลที่ได้จากสมาธิจิตว่างจิตเย็นจิตสบายจิตมีความจิตหยุดคิด คำถามจากคุณสุภกรฝากคำถามครับหนึ่งคุณแม่เป็นคนเข้าวัดทำบุญถือศีลทุกวันพระเหมือนคุณแม่คิดว่าตัวเองบรรลุโสดาบันถามว่าเราจะรู้ได้หรือไม่ว่าคุณแม่บรรลุจริงหรือมีวิธีสังเกตยอย่างไรคือกลัวคุณแม่หลงคิดไปเองถามแม่ว่ากลัวตายหรือเปล่ากลัวเจ็บหรือเ่ากลัวโรคอะไรหรือเปล่าถ้าไม่กลัวก็บรรลุได้ ข้อที่สองถ้ามีคนเข้าใจผิดคิดไปเองว่าตนมารุโสดาบันจะบอกอย่างไรให้เข้าเข้าใจหรือรู้ตัวไม่หลงทางหรือมีหลักอย่างไรครับก็อยู่ที่เขาเขาเชื่อเราหรือเปล่าเขาอยากจะฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่มีใครไปบอกเขาได้อืม คำถามจากคุณเฟื่องเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวกาลังเรียนอยู่ชั้นม2บอกแม่ว่าขี้เกียจเรียนไม่อยากเรียนและปกติจะไม่เคยคิดช่วยงานบ้านอะไรเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆผู้ ด, ดีก็ไม่เอาพูดร้ายก็ไม่เอาลูกจนปัญญาแล้วเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาให้ข้อคิดข้อปฏิบัติเจ้าค่ะจะแก้ไขตัวเขายังไงดีเจ้าคะถ้าเขาไม่อยากเรียนก็ถางว่าไม่อยากกินหรือเปล่า ถ้าไม่อยากเรียนมันก็ต้องไม่อยากกินด้วยมันก็อยากกินถ้าไม่เรียนก็ไม่กินหรอกเข้อยางนี้จะมาเลือกอยากไม่ได้การเลือกเรื่องของกิเลสนี่อยากได้อยากทำแต่เรื่องของความดีงานไม่อยากได้ไม่ถูกต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่อยากก็ต้องไม่อยากหมดเลยถ้าไม่อยากเรียนก็ต้องไม่อยากกินไม่อยากของเงินแม่ใช้ไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปไหน ต้องให้มันต้องให้มันเสมอภาคมันมันจะถูกต้องถ้าเลือกถ้าเลือกอยากนี่มันแสดงว่ามันเป็นกิเลสไม่ถูกคำ ถ, ถามจากคุณอมรเดินจงกรมนั่งฟังธรรมไปด้วยผิดทางไหมครับและใส่กางเกงขาสั้นผิดไหมครับพระอาจารย์เรื่อง ก, การแต่งกายนี่อยู่ที่สถานสถานที่ที่เราไปปฏิบัติ ถ้าเราอยู่ตามลําพังเราจะเดินแก้ผ้าก็ไม่มีใครว่าเลยแต่ถ้าเราอยู่ที่ที่เขามีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องใส่เช่องแบบชนิดนั้นชนิดนี้เราก็ต้องทําตามตามกฎ ร, ระเบียบส่วนการฟังธรรมถ้าเรามีเครื่องที่ใช้หูฟังเราเสียบหูเข้าไปแล้วเดินจงกรมไปฟังธรรมด้วยก็ได้ไม่เสียหายตรงไหนคาถามจากคุณประวีผู้ที่บรรลุธรรมยังมีความฝันอยู่ไหมคะ มีความฝันมันมาจากความคิดไงความคิดเวลานอนหลับจะไม่มีสติควบคุมมันมันก็จะฝันได้ฝันแต่ส่วนใหญ่คนบ่รลุธรรมจะฝันแต่เรื่องที่ดีไม่มีเรื่องที่ไม่ดีมาอยู่ในความฝันเพราะว่ า, วาเรื่องไม่ดีต่างๆถูกปัญญากาจัดไปหมดแล้วจะเหลือแต่เรื่องที่ดีทท้งนั้นเอง คำถามจากคุณสุกัญญาการที่เรารู้สึกนิ่งกับคนที่เราบอกหรือเราสอนเขาไม่ได้และเรารู้สึกเสียใจที่ก็เป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรดีคะความจริงมันต้องนิ่งแบบไม่เสียใจเลยก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเขาเขาเป็นอะไรเราเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราอยากจะเป็นก็ต้องเป็นเรื่องของเขาไปและผู้ที่จะรับผลก็คือตัวเขาเองไม่ใช่เรา เราไม่ต้องไปเสียใจเราจะช่วยใครสงเคราใครแต่เขาไม่สามารถรับการสงเคราะห์รับการช่วยเหลือของเราได้เราก็อย่าไปเสียใจเราคิดว่าเราได้ทําหน้าที่ของของของมนุษย์ที่ดีแล้วเคยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแต่ถ้านก็ไม่ยอมรับเช่นเขาติดยาเสพติดเนี่ย เราก็จะช่วยเขาไปบาบัดนี่ถ้าเขาไม่ไปเราก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้เราก็ทำหน้าที่ของเราแต่เราไม่ควรไปเสียใจเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยเกินกว่าที่เราจะสามารถทำอะไรได้ไปเสียใจก็ไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงอะไรเราก็หันความช่วยเหลือไปให้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราดีกว่าเราช่วยคนนี้ไม่ได้เราก็ไปช่วยคนอื่นที่เขายินดีที่จะรับการช่วยเหลือ อพรฉะนั้นจทําอะไรอย่าถึงขั้นต้องเสียใจต้องมีอุเบกขาต้องมีการวางเฉยบ้างเมื่อเราถึงถึงจุดตันทําอะไรไม่ได้ก็อย่าไปเสีย อ, อกเสียใจอย่าไปโกรธคนที่เราจะไปช่วยเหลือเขาอันนี้ก็ผิดทางนะเราก็ยังต้องรักษาวความเมตตาให้กับเขาอยู่ไม่โกรธเขายังรักสังสงสารเขาอยู่แตงแต่ว่าเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือของเราก็ไม่รู้จะทํำยังไง ก็ต้องปล่อยให้ไปเป็นตามบุญตามกรรมของเขาไปคำถามจากคุณนรินทร์กับเรียนถามพระอาจารย์เราทํากรรมอะไรไว้ทําไมเป็นเด็กสมาธิสั้นบอกสอนยากคะเพราะไม่มีสติไงสติน้อ ย, ส ต, อยสติน้อยเวลาฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาครูอาจารย์สอนอะไรใจไม่ได้อยู่กับคําสอนอยู่กับความคิดของเราหรือเวลาอ่านหนังสือก็ใจก็ลอย ไปคิดเรื่องเกมไปคิดเรื่องขนมเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นดูหนังสือไปก็เหมือนกับไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ดูหนังสือจําไม่ได้ที่อะไรที่เราดูหรือที่เราได้ยินมาพอไปสอบแล้วก็ตอบคําถามไม่ได้เราพยายามฝึกสติให้มีเยอะๆเวลาครูสอนก็ตั้งใจฟังไม่ไปคิดเรื่องอื่นมีแต่ฟังเรื่องที่ครูสอนเวลาอ่านหนังสือเวลาทําการบ้านก็ให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ต่อไปวเวลาไปสอบเราก็จะได้คะแนนดีคำถามจากคุณฉันทนานขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะถ้าลูกมีตังมากมันจะสามารถไปในทางเดียวกันได้หรือไม่คะระหว่างการใช้เงินเพื่อการทำบุญและการใช้เงินเพื่อการซื้อสิ่งเสพติดทางใจทางกายถ้าลูกไม่ใช้เงินเพื่อซื้อของทางกิเลสลูกไม่มีแรงทำงานเจ้าค่ะ ก็ต้องช่วงที่เรามันก็เป็นช่วงที่เราต้องอดทนเวลาเราติดอะไรแล้วเวลาเราไม่ได้เสกมันเราจะไม่มีแรงเคยติดกาแฟแล้ววันไหนไม่ได้กินกาแฟอนี้ว่าไม่มีแรงจะทําอะไรแต่มันแค่ช่วคราวนั้วเองช่วงสักระยะสั้นๆพอมันฤทธิ์ของมันมันหมดไปมันก็จะหายอย่างช่วงนั้นเราต้องอาศัยการทําสมาธิพยายามนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ การสติมันก็ยัเรีกกำลังกลับมาได้ในระดับหนึ่งไม่ะนั้นเราก็าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ถ้าเรายัางยอมอ่อนข้อกับมันอยู่มันอยากให้เราทำแล้วเราไม่ทำตามมันมันก็สร้างปัญหาคือความไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงขึ้นมาท่านเองมันเป็นเป็นเป็นกลอุบายของกิเลสที่จะที่จะขังเราไว้อยู่ภายใต้อำนาจของมันถ้าเราอยากจะลุกเฮิสู้กับมันเราต้องอดทนอ่ะ มันรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็สร้างเรี่ยวแรงขึ้นมาด้วยสยติต้องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะไอแรงต้านมันก็จะหมดไปพลังต้านหมดไปมันก็หายกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็จะหายติดจะไม่ต้องเตะไม่ต้องเสมนันอีกต่อไป กาดนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์เออหนูว่าค่ะเป็นมะเร็งใช่หมคะแล้วก็ให้คีโมครบหกครั้งแล้วทีเนี้ยหนู อ, อ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้กลัวเรื่องความตายแล้วก็ผลที่ซีทีสแกนออกมาค่ะว่ามันยังมีมะเร็งเหลืออยู่อันนี้หนูก็ทำใจไว้แล้วว่าอาจจะมีเหลือแล้วก็ต้องทำคีโมค่ะแต่ทีนี้คุณหมอค่ะพระอาจารย์บอกว่า ต้องผาตัดอีกรอบหนึ่งค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยอยากจะรบกวนถามพระอาจารย์ว่าการที่คนเราอะค่ะไม่กลัวตายแต่ยังกลัวเจ็บนี่เป็นไปได้ไหมคะพระอาจารย์ได้เพราะมันข้อสอบคนละข้อกันเนี่ความตายเป็นข้อสอบข้อหนึ่งความเจ็บเป็นอีกข้อนึงก็คือถ้าเราเร า, เราก็ต้องฝึกอยู่กับความเจ็บให้เป็นไงค่ะนั่งสมาธิเวลาเจ็บปวดก็อย่าไปขยับ พุโทโธพุโทโธใช้ความนิ่งสู้กับมันไปต่อไปพอใจเรานิ่งไม่ต่อต้านความเจ็บแล้วมันก็จะอยู่กับมันได้ไม่ความเจ็บ ค่ะก็แสดงว่าคนป่วยนี่คือมีข้อสอบหลายข้อใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็มีสองข้อใหญ่ๆครับก็คืวกับความเจ็บค่ะถ้าเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เรากังวลค่ะถ้าเราวางร่างกายคือทิ้งไปเลยว่าไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่กลัวอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ันี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยให้เราวางได้เวลาเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของค่ะพระอาจารย์าารข้าทุกข์ค่ะแเป้าหมายก็คือเราต้องไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บค่ะพระอาจารย์ มีคำแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผู้ป่วยมะเร็งไหมคะพระอาจารย์ก็พยายามฝึกเสเ ต, ติให้มีส ต, ติมีสมาธิมากๆมี อ, อุเบกามากๆค่<ข>ะแล้วก็จะรับกับความความเจ็บความตายได้อย่างสบายค่ะพระอาจารย์ปัญญาอย่างเดียวบางทีมันไม่พอค่<ข>ะต้องมีสมถะภาวนาด้วยค่ะพระอาจารย์ภาวนาไมยะปัญญาค่ะพระอาจารย์นั้ปัญญาก็รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ใจมันไม่ยอมรับเลยเราใช้ใชาสติให้มันรับให้ได้ใช้สติพุโทโธหยุดความความความความดื้อของมันค่พอไม่มี พอสติหยุดความเลื่อได้มันก็จะอยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายนะค่ะก็รู้สึกว่าพอป่วยอะคะ่ะร่างกายไม่ไม่พร้อมเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเลยรู้สึกว่าคนที่แข็งแรงนี้น่าจะต้องรีบปฏิบัตินะคะ <laughs> จากใจผู้ปว่วยเวลาพิจารณาร่างกายก็อย่าพิจารณาแต่ร่างกายของเราค่ะพิจารณาคนอื่นด้วยหมอก็ต้องตายเหมือนกันพยายามายก็าล้วทุกคนต้องตายหมดตอนแบบนี้แล้วมันจะทําให้เร า, ารู้สึกไม่ ไม่โด้เราเปรียบอะคนเท่ากันหมดค่ะแต่แค่ใครไปก่อนไปช้าแค่นั้นใช่ไหมค ะ, ะใช่ค่ะถ้ามันมองอย่างนี้ได้แล้วมันจะรู้สึกความทุกข์ของเรามันจะเบาไปเยอะเพราะคนอื่นก็เป็นเหมือนล้วก็เป็นเหมือนกันกค่ะสาธุค่ะพะอาจารย์ คำถามจากคุณวัฒนาค่ะถ้ามีคนบอกว่าคนไม่อยากมีลูกคือคนเห็นแก่ตัวเราควรจะบอกเขาอย่างไรดีครับรู้สึกว่าเหนื่อยที่จะต้องอธิบายกับคนลักษณะนี้ครับก็อย่าไปอธิบายหมดเรื่องเมื่อเขาไม่อยอมเข้าใจก็ทางใครทางมันความเห็นของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ส, สิ่งเดียวกันคนนึงก็เห็นว่าดีก็มีคนเห็นว่าไม่ดีก็มียาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดก็ว่าดี คนที่ไม่ติดหรือคนที่หลุดจากยาเสพติดแล้วก็จะว่าไม่ดีงั้นมันแต่ละคนมีทัศนคติมีประสบะการณ์กับสิ่ ง, งต่างๆไม่เหมือนกันงั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องไปถกเถียงกับใครให้เหนื่อยยากหเปล่าเสียวเวลาเปล่ า, าเรารู้สาเหตุของเราว่าทาไมเราไม่มีบุตรเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นภาระทางใจเราต้องมาเลี้ยงดูบุตรที่เราแล้วบุตรที่มาเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมันก็เลยชื่อไม่มีดีกว่า เป้าหมายของการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการไม่เกิดนี่เพราะถ้ายังมีการเกิดอยู่มันก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายการร้องหม่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจไม่มีวันสิ้นสุดลงหมดหรือยังหมดแล้วเจ้าค่ะหมนแล้วก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด